พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2556ณวัดป่าวิเวกวัฒนารามจังหวัดมุกดาหารในวันมาฆบูชา สั่งใจรับพระไตรสรณะคมพระไตรสรณ ะ, ะคมพร้อมสินเมื่อเช้าหลวงพ่อเองก็ได้ให้คณะสัทธาญาติโยมได้ขอสินแปดก็ได้ให้สินแปดไปเมื่อเช้าพร้อมกับสินห้า แต่ตอนเย็นก็อย่างที่ว่าบางท่านอาจจะมาร่วมตอนเย็นยังไม่มีศีลยังไม่เร่สมาทานศีลอย่าว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งเป็นวันมาค้าบูชาพุทธบริษัทสี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งก็ควรจะสมควรยิ่งจะต้องเป็นผู้มีศีลศีลคือคนดี สินรับรองว่าเป็นคนดีพราะพุทธเจ้ารับรองว่าผู้ที่มีสินจะไม่ตกไปในที่ชั่วจะไม่ตกนรกจะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉ า, านจะไม่เป็นเปรตจะไปไม่เป็นคนผิดปกติจะเป็นคนที่สมบูรณ์เพราะสินคุ้มสคุ้มครองสีเลนะสุขติงยันติ ผู้จะไปสู่สุกติได้เพราะศินสีเลนโภกสัมปทาผู้ที่จะมีโพคะสมบัติบริบูรณ์สมบูรณ์ได้เพราะสินสีเลนลลเนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้ก็ด้วยศินเช่นเดียวกันเพราะนั้นศินเราจะไปมองข้าวว่าเป็นของเล็กน้อยสินีห้เป็นเครื่องคุ้มครองให้พวกเราเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้ เหมือนกับศินห้าพวกเรามีศินห้าคล้ายๆคบว่าเราเดินไปในช่องทางที่มีรั้วกั้นไม่ให้เราเดินผิดออกแปลกออกนอกรูนอกทางให้พวกเราเดินไปในช่องทางที่มีสินเป็นรั้วเอาไว้ไม่ให้เราทำความชั่วถ้าว่าเราปิดเดินแปลกออกไปแวกแนวออกไปออกนอกรัว้ว ออกนอกเส้นทางพวกเราก็จะทำความชั่วชาเสียหายรั้วของพระพุทธเจ้าที่ท่านกั้นกางเอาไว้คืออย่าฆ่ากันอย่าขโมยของกันให้เคารพชิตสามีภรรยาซึ่งกันและกันอย่าไปโกหกกันอย่าไปดื่มของหมือนเมาให้ขาดสตินี่แหละรั้วห้าขั้นที่พวกเราจะต้องเดินไปสู่ความสุขความเจริญได้ แต่วพวกเราไปคิดฆ่ากันค่ะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปขโมยสิ่งของเขาไปครบรสสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาไปดื่มสุราเข้าจนขาดสติแล้วก็ทําความชั่วทุกอย่างเพราะคนขาดสติฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาบระวงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสตินี่แหละ สินห้าของพระพทุทธเจ้าถ้าหากว่าพวกเราคิดดูให้ดีแล้วสินห้าเป็นรั้วกัน้นไม่ให้พวกเราเดินไปสู่ความชั่วช้าเสียหายถ้าหากว่าพวกเราไม่มีสินห้าคุ้มครองไม่มีสินห้าเลยพวกเราก็พร้อมที่จะทำความชั่วเพราะว่าไม่มีสิลคนที่จะทำความชั่วนันก็สามารถที่จะในปัจจุบันนี้ก็ต้องตกนรก ตกนรกคืออะไรคือไปอยู่ในห้องขังนะไปอยู่ในห้องขังนะตกนรกเมืองมนุษย์นะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมทุกหมู่เหล่าทุกๆ ท, ท่านนำมาคิดนำมาพิจารณาการเลาะการกรองไตรตองเหตุและผลทำคําสอนของพระพุทธเจา้าถ้าหากว่าพวกเราเป็นผู้มีสินศินคุ้มครองคนมีศินท่า อยู่ในยุคใดสมัยใดในกลุ่มในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีไม่จะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ว่าพวกชุมชนกลุ่มใดในยุคใดสมัยใดถ้าคนขาดจริยธรรมมากๆยุคจะไหมนั้นก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ เพระเหตุใดพวกคนขาดฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปไม่มีคนที่มีฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตะปะคือความกลัวต่อบาปนั่นคือคือคนมีสินห้าถ้าคนขาดสินห้าเนี่ยไม่มีฮิลิกไม่มีโอตปะไม่มีสินไม่คุ้มครองพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันถ้าหากว่ากลัวแต่กฎหมายานเอง กฎหมายคุ้มครองกฎหมายคุ้มครองได้ในที่แจ้งแต่ในที่ลับกฎหมายคุ้มครองไม่ได้เหตุไรเพราะาคนไม่เห็นถ้าคนไม่เห็นแล้วกฎหมายก็ไม่รู้จะเอาโทษกับใครแต่คนที่ทําความชั่วนะทำชั่วได้ทุกอย่างในเมื่อคนไม่เห็นแต่ศีลธรรมของพระพุทธเจานะ้าคุ้มครองทั้งคนเห็นและคนไม่เห็นถ้าคนไม่เห็นถ้าเรา ทำความชั่วชั่วไหมชั่วเหมือนเราจับไฟในที่มืดอย่างนั้นแหละถ้าไม่ใครใครไม่เห็นเราจับไฟมันร้อนไหมร้อนออปิดประตูหน้าต่างให้ดีจับไฟในห้องคนเดียวร้อนไหมร้อนอันนี้ก็เหมือนกันทําคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะเราจะทาความชั่วถึงจะนำทำในที่ลับถึงทำในที่แจ้งทาในที่เปิดเผยคนเห็น ทำจนไม่คนไม่มีเห็นเราจับไฟกร้อนเหมือนกันทั้งหมด mm hmm. เพราะฉะนั้นทําคําสอนของพระพุทธเจา้าคุ้มครองท่านบอกว่าอย่าทำความชั่วถ้านทะําความชั่วนะความชั่วจะให้ผลตัวเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังตัวเองใครไม่รู้ตัวเองรู้ความลับไม่มีในโลกความลับไม่มีในโลกทําไมพระพุทธเจา้าอ่ะตัวเองก็เป็นมนุษย์ แต่คนอื่นไม่รู้ตัวเองรู้อยู่จะมีความรับได้อย่างไงเพราะตัวเองเป็นคนทำนี่แหละความรับไม่มีในโลกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ซื่อสัตย์สุดจริตกับตนเองสิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าทำถ้าทำไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนเสียหายความชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละทคำคาสอนของพระพุทธเจ้า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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะต่อจากนี้ไปพวกเราก็อาราธนาพระคุณเจ้าแสดงธรรมว่าพร้อมกันต่อไปอาราธนาธรรมพร้อมกันนะครับโอมมเจ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 วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะสัายาติโจมจากจาตุรทิศเคยมาการาบคารวะองค์หลวงปู่สมัยเมื่อหลวงปู่ยั ง, งทรงธาตุขันอยู่หลวงปู่ท่านให้ความสำคัญอย่างมากในการกราบไหว้เคารพสักการะบูชาพระธาตุของท่านถ้าว่าผู้ใดมามากราบท่าน ท่านก็จะถามว่าขึ้นไปกราบพระธาตุหรือยังอ่าท่านจะถามอย่างนั้นบ่อยที่สุดที่อหลวงพ่อมากราบคาระวะท่านนานๆได้มาแต่พอมาอยู่ด้วยท่านสองสามสี่วันสี่ห้าวันท่านจะพูดในเรื่องนี้บ่อยที่สุดได้ขึ้นไปกราบพระธาตุบนเจดีย์หรือยังย่างเจ้าข้าเอาไปไปไปขึ้นไปกราบนะอะมีอะไรยังค่อยมาว่ากันฮะ นท่านถือว่าพระาธาตุของท่านเป็นสิ่งที่เคารพศักการะจุดจิตจุดใจของหลวงปู่จริงๆเพราะว่าท่านบอกว่าพระาธาตุของท่านเฉด็จมาเองเป็นส่วนมากแต่บางมีมีบางคนก็มีคนถวายแล้วก็เสด็จมาเพิ่มเติมอีกต่างหากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในวันนี้มีมากามีพร ะ, พระาธาตุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระธาตุของพระรหันมีหลายๆพระองค์ที่พวกเราได้สงน้ําได้สงพระธาตุในวันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลสําหรับพวกลูกหลานทั้งหลายวันนี้มาคบรอบวันสงพระธาตุอีกช่วงหนึ่งก็เป็นวันวิสาขาบูชาวันนั้นก็เป็นวันสงพระธาตุที่หลวงปู่เคยแนะนําบอกกล่าวชักชวนพี่น้องประชาชนจต่าญาติโยมลูกหลาน ให้มาสงพระธาตุสองวันปีหนึ่งมีอยู่สองวันวันมาคะบูชาวันหนึ่งวันวิสาขบูชาวันหนึ่งแต่วันปีนี้หลวงตาหลวงปู่ของเราได้จากได้ละสังขารไปแล้วหลวงปู่ข้างเรานอนสงบนิ่งอยู่ในตู้เย็นใน ห, ห้องเย็นแต่พวกเราท่านทางหลายที่หลวงปู่พาดำเนิน พาสงพระธาตุพวกเราก็ล้ำลึกถึงบุญคุณขององค์หลวงปู่เพราะนั้นผู้ใดอยู่ไกลถึงขนาดไหนก็เมื่อทราบว่านี่แหละหลวงปู่พาสงพระธาตุพ่อมากันหลังไหลมาทีนี้มากราบมาไหว้มากราบสรีระของหลวงปู่ด้วยแล้วก็มาสงพระธาตุของหลวงปู่ด้วย เ, เพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันกราบไหว้สักการะบูชา ของพวกเราลูกหลานทั้งหลายแล้วก็เป็นวันสําคัญยิ่งคือวันมาค้บูชาดังนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านวันเช่นนี้เราควรจะทําตนอย่างไรทีนี้มันต้องโอปัยญิโกน้อมเข้ามาหาพวกเราท่านทั้งหลายควรจะบูชายอย่างไรบูชาคือบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพทุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นท่านประกาศพระธรรมคำสอนออกมาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรานำมาพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเป็นพระธรรมคำสอนที่เป็นอมะตะให้ใครก็ว่าผู้ใดปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าพวกไรเดินออกนอกนอกรูนอกทางที่อัตมาได้พูดเดินออกนอกวงนอกรั้วของศีลห้าแล้วมีแต่ความหายนะที่จะเข้าสู่ชุมชนและสังคมในยุคนั้นๆในกลุ่มนั้นๆในบุคคล น, นั้นๆนี่แหละถ้าว่าพวกเราอยู่ในศีลห้า พวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียว่าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพ่มาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายถ้าไม่มีพระสงฆ์นำธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแพร่พวกเรากาคงจะไม่ถึงไม่รู้พระธรรมคําสอนเพราะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้มีอุปภคุณอย่างยิ่งจึงยึดว่าเป็นสาระของพวกเราพุทธทางธรรมบงสังครงสารนังคัดฉามินี่แหละอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่ตอ น, นี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรที่เป็นหลักใหญ่แต่วันนี้หลวงพ่อเองจะไม่พูดเรื่องทานเรื่องศีล จะพูดเรื่องภาวนาจะแนะนําพี่น้องประชาชนจัตธาญาจโยมเรื่องภาวนาถ้าจะพูดเรื่องทานเรื่องศีลก็คงจะยืดยาวเพราะเรื่องทานเรื่องศีล อ, อันในสงศิลเป็นยังไงอันในสงทานเป็นยังไงอันในสงศิลเป็นยังไงครูบาอาจารย์เคยแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแต่เรื่องจิตภาวนานี้ท่านก็บางองค์พูดบ้างปะปะไปไปพูดบ้าง แต่ไม่ได้ชัดเจนบางทีก็จับต้นชนปลายไม่ถูกบางทีก็ไม่รู้จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจะขึ้นต้นอย่างไรนับหนึ่งอย่างไรหนึ่งสองสามสี่วิธีการปฏิบัติทาตนอย่างไรอันนี้ก็ครูบาอาจารย์บางท่านก็ น, นับแต่เรื่องเอาบริกรรมพุทโธพุทโธนะพุทโธที่บริกรม ร, ร, นะ ร, ร, กรมในช่วงไหนบริกรรมอย่างไรอันนี้ก็แต่ตามจริงบริกรรมได้ทุกเวลานะจริงดี แต่มันพวกเราท่านทั้งหลายมีหน้าที่การงาน เ, าเราก็ควรจะหาวิธีที่จะภาวนาหรือว่าหาวิธีที่จะบริกรรมพุทธโทนะช่วงไหนจะเหมาะที่สุดนะสิ่งเหล่านี้กเ็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องศึกษ า, เ, าเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะให้คาแนะนำให้คำปรึกษากับคณะรัตยาญาติโยมทุกๆหมู่เหล่านะหลวงพ่อยกตัวอย่างของหลวงพ่อเองนะ หลวงพ่อไปนัดสถานที่ไดหลวงพ่อก็ยกประเด็นว่าหลวงพ่ออินเนี่ยในสมัยเป็นเด็กอายุสิบเอ็ดย่างสิบสองปีสองพันห้าร้อยปีสอง0ันห้าร้อเมื่อจบเรียนจบปสี่แล้วขึ้นมาอยู่กหลวงปูล่า อ, อ, อายุสิบกว่าปีน่พวกเราคิดดูสิลูกหลานถ้าเป็นลูกหลานของเราเนี่ยตั ว, ตวโตขนาดไหนรู้สึกว่าหลวงพ่อตัวผอมอีกต่างหากตัวเล็กๆตัวผอมอีต่างหาก เหมือนกับชนบทบ้านนอกจากนั้นพอมาขึ้นไปหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าก็พยายามบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากหลวงปู่ล่าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะเราไม่ได้รับการศึกษาไม่มีพื้นฐานมาก่อนเพราะนั้นหลวงพ่อเองเมื่อได้รับคำสอนจากองค์หลวงปู่คูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วหลวงพ่อจึงได้ไประยุก นำมาคิดย้อนหลังว่าจุดไหนที่เราไม่เข้าใจจุดไหนที่เราเข้าใจจุดไหนที่เราจะนำมาพูดให้แก่มาแนะนำพี่น้องประชาชนศรัทธายาจมให้เข้าใจวันนั้นหลวงพ่อจึงได้นำเรื่องที่ได้ประสบประการณ์ของตนเองมาบอกกล่าวมาแนะนำสั่งสอนลูกหลานคณะศรัทธาญาจมแต่บางท่านบางคนก็ที่ได้ผ่านไปแล้วรู้ไปแล้วปฏิบัติมาแล้ว ก็ได้ฟังอีกพอได้ฟังเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่ออินเอาหนังมาเก่ามาฉายให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพอได้ผ่านไปแล้วแต่บางคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่เคยปฏิบัติมาก่อนพอได้ยินเออได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะว่ายังไม่เคยได้ยินเออวิธีการปฏิบัตินีทำอย่างนี้เองนะเบื้องต้นหนึ่งกอไก่ขอไข่ขอโวดขอควายเนี่ยทอย่างนี้ วันหนึ่งสาห้าเนี่ยทำอย่างนี้อันอันดับแรกเนี่ยนี่แหละอันนี้กางหลวงพ่อกันไดน้มาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลว่าควรจะพูดอันไหนก่อนถ้าว่ามีชุมชนคนมากๆอย่างนีน้บางท่านก็ใช่ได้รับการศึกษาดีปริญญาตรีโทเอกทางโลกแต่ว่าเรื่องธรรมะแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะถามใครถ้าถามใครก็เหมือนกับไปขายตัวเองอีกไม่กล้าถามอีก อายเขาอีกทีนี่เหมือนกับตัวเองไม่รู้ไม่ชี้อะไรเรื่องวิธีการปฏิบัติก็เลยทําท่ารู้ต่อรู้รู้ต่อรู้ไปผลที่สุดก็เลยไม่รู้ในใจฮะแต่อยากจะรู้อยู่แต่ว่าไม่กล้าถามฮ ะ, ฮะถ้าจะถามก็เสียเปรียกลวกถาว่าตัวเองเป็นพุทธมามกะอายุขนาดนี้แล้วจะไปหาถามเรื่องวิธีการปฏิบัติภาวนานั่งยังไงปฏิบัติยังไงบริกรรมยังไงอีกต่างหากเนี่ยสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้มา คิดนำมาประมวลดูเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไปนัดสถานที่ต่างๆพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมกลุ่มใหญ่เข้ามาหลวงพ่อจะพูดวิธีการปฏิบัติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอย่างที่เด็กชายอินเข้าไปกราบหลวงปู่ล่าเป็นครั้งแรกหลวงปู่ล่าท่านก็สอนสอนอา้าวเข้ามาสู่วัดนะมาอยู่ป่ารงพงไพ่นะ เ, เทวบุตรเท ว, วดา มีทุกแห่งโห น, นะภูมะลุขะเทวดาอยู่ในภูเจ้ากอภูเขาเหล่านี้ให้ตั้งใจภาวนานะาให้ไหว้พระนะให้ยึดพระไตสรสาระคมพุทธทงังธรรมังสังขังให้แน่นหนามันคงนะผีสางนางไม้กลัวทั้งหมดถ้าเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งแล้ว อ, อ, อะไรเขาเข้ามาไม่ถึงท่านก็พูดเป็นเรื่องราวให้ฟังท่านก็ยึด สมัยที่ท่านพูดเป็นเรื่องชาดกและเป็นนิทานพ่อลูกไปหาฟืนอยู่นอกกรุงสาวัตถีเกวียนวัวล้ อ, อกลับเข้ามาในเมืองก่อนพอหาฟืนใส่ล้อเต็มแล้ววัวล้อมันกลับเข้ามาในเมืองก่อนผูพ้พ่อก็ตามวิ่งตามวัวล้อเข้ามาในเมืองเขาปิดประตูเลยลูกชาย อตัวเล็กๆอที่ไปกับพ่อไม่รู้ที่ไปนอนที่ไหนไปมุดเขาต้องท้องเกวียนพ่อหิม่เห็นพ่อมาเบืดอข้ามเข้าข่้าเข้าไม่รู้จะไปที่ไหนฮะอมุดเข้าไปในท้องเกวียนแล้วก็นอนพอนอนทีนี้อมนุษย์อมนุษย์ก็คือพวกพวกผีกระสือพวกผีอะไรก็ไม่รู้หรอกอมนุษย์ฮสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ทีนี้ก็อมนุษย์คนหนึ่งอมนุษย์ตนหนึ่ง เป็นสัมมาทิฏฐิอมนุษย์ตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ เ, เห็นเด็กนอนเด็กน้อยนอนอยู่ใต้ถุนกเกวียน hazard, เด็ก อ, อ, อมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะบอกเ อ, อไปจะตุกขาดูทีม่มันจะเป็นยังไงเด็กคนนี้นะแต่คนหนึ่งบอกว่าเอออย่าอย่าไปทานะเขาเป็นดูดูแลฟังฟังดูดูแลเขาเป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อเขาเขาเนี่ย ยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งนะอย่าเป็นล้อเล่นเขานะอคืออามนุษย์สองตันตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมทีนี้อตัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่เชื่อกั้นะเอเลยทดลองดูสิมันจะเป็นยังไงตีนี้นก็เลยไปกระตุกขาไปกระตุกขาเด็กคนนั้นะกําลังนอนอยู่ เ, เด็กคนนั้นกับพ่อแม่สอนให้ ก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอ่อเรียกว่าก่อนนอนก็นอลาหังสวาง่าขาโตสุปฏิปันโนอ่าพุทธังธรรมังสังขังก่อนนอนก็ให้พุทโธพุทโธนะเอ่อพ่อแม่เขาก็สอนอย่างงั้นแต่นี้นเด็กคนนั้นมันก็นหมดที่พึ่งใช่ไหมพ่อก็ไม่เห็นออกไปเพราะพ่อตามวัวเข้ามาในเมืองเขาปิดประตูเขาไม่ให้ออกไปแต่นี้นเด็กคนนั้นก็ น, นอนอยู่คนเดียว อยู่ในป่าป่าช้าเนี่ยพ่อฟื้นมันหาได้แต่แถวป่าช้าใช่ไหมฟื้นที่ไม้แห้งแต่เนี้ถ้าแกาก็นอนนอนก็เนี่ยนะอมนุษย์คนนั้นไปกระตุกขากระตุกขาเด็กพอกระตุกขาท่านนะ่ะเด็กคนนั้นก็เขามีพุโทโธอยู่ในใจยอยู่แล้วใช่ไหมเวลากรรมข้างกรามคืนฝันอะไรฝันไม่ดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ภาวนาพุโทโธนะ แต่ไหนเขาก็พุทธโท้พุทธโท้พุทธโท้พุทโท้ค่าวันนะเขาลำลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยทีนี้อเอามนุษย์คนนั้นได้ยินกระโดดเยงเลยทีนี้อพอเอามนุษย์คนหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏเอยไม่ได้นะถ้าเธอทำอย่างนี้ไปเนี่ยเจ้านายใหญ่ของเราเนี่ยไปหาเจ้านายเจ้าต้องมีโทษต้องลงโทษคนที่ไปทำความชั่วอย่างนี้ เรต้องวิธีต้องแก้นะแก้แก้ทดแทนเขาทําความดีแทนเขามันจึงจะถูกออมนุษย์ตัวที่ เ, เป็นมิจฉาทิฏฐิจะให้ผมจะให้ผมทํำยังไงอาทางมิจฉ า, าทางตนที่สัมมาทิฏฐิไปเข้าไปเอาอาหารอยู่ในเมืองใครว่อาอามนุษย์มันเป็นหายตัวได้ใช่ไหมละ่ะแสดงฤทธิ์ได้หายตัวได้ไปเอาอาหารมาให้เด็กคนนี้กิน ตอนนี้ก็โพไอพูดผีปีศาจตัวที่เป็นมิจฉาทิถีเนะี่ยมันก็เลยไปนู่นไปหาที่ไหนก็มาได้อ่าไปเอาสำรับของพญาปเสนเท่านั้นเลยมันอยู่ในในเวียงในวังอสมัยทุกวันนี้ก็คงจะไปเอาในตู้เย็นนะมั้งแต่สมัยนั้นคงไม่มีตู้เย็นนะเขาก็เก็บไว้อาหารที่มันยังมีอยู่เอ่เออมนุษย์คนนั้นก็เลยไปเอาอาหาร มาให้มาถึงมาแล้วก็ปลูกให้เด็กบนเด็กมันก็หิวอาหารเนี่ยพอพ่ อ, พ อ, อไปเสร็จแล้วอาหารเย็นก็ไม่ได้กินเนี่ยปลูกขึ้นมาก็ลูกลูกลูกลกขึ้นมากินอาหารม า, เ, าเด็กนี่ก็งัวงเงียขึ้นมาใช่ก็เห็นอาหารมันก็หม่อมวาจ้ะพอกินเสร็จแล้วก็นอนต่ออีกอาํามนุษย์ตัวนั้นก็เลยทิ้งชําระทองคําทิ้งไว้ที่นั้นฮะจากนั้นกต็ต่างคนต่างไปแล้วจะเนี่ย พอตุงเช้ามาพ่อ็เลยรีบออกไปเอาวัวล้อออกไปพอออกไปไปถึงลูกชายพวกในเมืองเธอก็ว่าเนี่ยจานทองคาของพระเจ้าเปรศหายไม่รู้หายไปไหนแต่คนทั้งหลายก็ออกออกคนละทิศคนละทางกันเลยพวกตำรวจนะออกไปก็ไปเห็นจานทองคาอยู่ใต้ถุนเกวียนไงเขาก็จะจับพ่อที่นี่ ลงโทษเลยโทษประหารอีกต่างหากเลยทางผู้พ่อเน่ยผมก็ออกมาจากในเมืองเดียวนี่ก็แล้ถามเด็กเด็กมันเป็นยังไงเด็กก็บอกพ่อพ่อแล้วเออเอาอาหารมาให้กินเมื่อคืนเน่ยโรกโรคโรคโรคโรคผมขึ้นมาผมก็ไม่รู้แล้วผมก็กินกินมันเด็กเด็กน้อยอ่ะเขาบอกว่าพ่อเป็นโทษเลยนี่ยเอาพ่อออกมาจากในเมืองเลยนี่ยพอในสุด ต, ตำรวจก็ไม่รู้จะเอาโทษยังไงเลยเนี่ยพอในสุดก็เลย นำไปกราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าโอ้ย อ, อัมุษย์นี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งถ้าว่าผู้ใดก็าตามยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งแล้วพูดผีปีศาจเขาให้ความเคารพทางนั้นนี่หลวงปู่ลาท่านสอนเด็กชายอินนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวให้ภาวนาพุทธโธยึดพุทธโธไว้ให้เป็นหลักนะถ้าคนมีพุทธโธแล้วพวกอัมุษย์พวกผีปีศาจกลัวทั้งนั้นไะ หลวงพ่อก็เชื่อหลวงปู่ใช่ไหมล่ะจากนั้นท่านก็เอาก่อนที่จะก่อนที่จะหลับนอนนะให้ไหวพระกราพุทธโธธรรมโมสังโฆนิพพานังกราพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานนี้แหะคืออันดับแปรท่านเองจากนั้นก็ท่านก็อ拉หังสวากาโตสุปฏิปโนจะขณะโมตตะพะวะโตพุทธังธรรมังสังขัง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 อย่างที่เข้าไปเจ้าปาฏินารทุกๆุกวิญญาณด้วยเทินนะให้คิดอย่างนี้นะนึกทั้งสามครั้งจากนั้นแล้วก็อเอาขาขวาทับขาซ้ายปนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วก็ไหว้ครูซะก่อนไหว้พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆเพราะว่ า, าการปฏิบัติภาวานาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดสอนเราคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอน เป็นผู้ประกาศพระธรรมพระธรรมคือคำสอนพระสงฆ์ได้นำพระธรรมมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเราต้องไหว้ครูซะก่อนไหว้พุโทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ ส, สามจบซะก่อนจากนั้นค่อยเอามือเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นให้ภาวนาเนอะให้หายใจเข้ากำหนดลำลมหายใจเข้าพด หายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทให้อยู่ที่ปลายจมูกในเหมือนเหมือนเหมือนเรายือนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นแหละคนเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้าคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปไม่ต้องตามคนออกไปไม่ต้องตามคนเข้ามาให้ยืนอยู่ข้างประตูนี้ก็เหมือนกันให้กําหนดที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้ามาในท้องในปอด และก็ไม่ต้องตามมไม่ต้องตามลมออกไปให้รู้ว่าลมออกเท่านั้นและพอแต่ถ้าเรากำหนดยังไม่ได้ให้หายใจแรงๆหายใจเฟืดเข้าไปเฟื่อออกไปสัก2อสาสี่ห้าครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนให้เอาสติจับอยู่ตรงนั้นให้มีสติสัมปชัญญะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้ทำอย่างนี้นะวิธีการภาวนา ต่อไปจิตใจของเราถ้าเราจะจิดแต่งสติของเราเข้มแข็งมันไม่เผลอต่อไปใจของเราจะรวมสงบลงสงบนะมันไม่พิดป่งฟุงซ่านจิตใจไม่หิวไม่หอยกับเรื่องต่างๆจิตใจจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแน่วแล้วนะมีความสุขนะัตสันติป ร, รางสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีนี่แหละ เบื้องต้นนะต่อไปกัเป็นจิตใจเป็นสมาธิไปเรื่อยๆต่อไปกับพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปนี่แหละองค์หลวงปู่ที่ท่านแนะนําสั่งสอนอบอกกล่าวาสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้นํามาประยุกต์ใช้บอกกล่าวให้แก่คณะทาญาติยาโยมผู้ที่เข้ามาศึกษาผู้เข้ามาฟังให้ปฏิบัตินะถ้าว่าผู้ใดมีสมาธิดี จิตใจของเราไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านแต่ว่าพวกเราไม่เคยฝึกจิตตภาวนาจะเป็นยังไงเมื่อไม่ฝึกจิตตภาวนาก็ทำให้เป็นอันใสเมื่อได้ไง่ายๆเหมือนกันนะและก็หลงลืมได้ไง่ายๆเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ลืมแล้วก็จิตใจจะลวนเลยจะคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้ น, นจะเป็นบ้าเป็นบ อ, อได้ไง่ายๆเพราะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง ไม่รู้จักปร่งฮะไม่จุดจะไม่รู้จักปร่งถ้าคนภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วนะมีอะไรเกิดขึ้นกจะวิ่งเข้ามาหาพุทโธพุทโธนะเหมือนกับเด็กชายหนุ่มเด็กชายเด็กน้อยคนนั้นล่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็วิ่งของพุทโธอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโลกธรรมทั้งหลายนินทาจันเสรอนิน ราบยศแล้เสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุก์เข้ามาใจของเราก็จะวิ่งเข้ามาหาที่เกาะที่กำบังเพราะอะไรพราะเราเคยฝึกมาทางจิตตภาวนามาทางนี้แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็วิ่งเข้ามาหากําหนดดูพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นในโลกถึงข่าวตายมันก็ต้องตายในโลก เราจะไปอยู่คำช่วฟ้าดินสลายได้อย่างไรนี่แหละถ้าคนภาวนาแล้วมันมันจะปรงตกอย่างนั้นจะมีทมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจจิตใจของเราจะเป็นหลักจิตใจของเราจะเข้มแข็งจิตใจของเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องต่างๆแต่ถ้าหากคนที่ไม่เคยภาวนานะจิตใจมันปวกเปียกจิตใจมันลวนเล่จิตใจ ไม่เคยมีอะไรเป็นยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถ้าเขาแนะนำอันไหนถ้ามีอุปสรรคมีลาบเสื่อมลาบเสื่อมยศมีทุกข์เข้ามาใครแนะนำยังไงเอาหมดเล็นี่เขาแนะนำให้กินขี้หมาก็กินเหมือนกันเถอะเพราะว่าจิตใจไม่มีหลักถ้าจิตใจมีหลักก็ไม่แหละจิตใจจะต้องมั่นคงเชื่อมั่นในศิลในธรรมเชื่อมั่นในตนเองถ้าคนภาวนา วันนั้นขอให้พวกเราคณะนัทาญาติโยโมุกลูกหลานทุกคนนะทุกทุกท่านนะให้ฝึกฮัดไว้เรื่องภาวนาไม่ใช่ของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายสติสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปัญสัมปัญญาถูกับตัวเองไปอยู่นักสถานที่ใดดีทั้งหมดนั่นแหละถ้าว่าคนขาดสติมากๆากแล้ว เ, เป็นยังไงพวกเราก็คงเห็นผมยาวอืม ไม่แต่งตัวอยู่ข้างถนนนั่นน่ะคนขาดสติน่ะดีไหมฮะอแต่พวกเรามันขาดสติขนาดใดขนาดหนึ่งมันก็ไม่ดีถ้าสติมหาสติมหาปัญญาไม่เผลอจะแล้วนั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าร้าบอกมหาสติมหาปัญญาเพราะนั้นขอให้พวกเราต้องฝึกเอาไว้เรื่องสติปัญญา เ, เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกจะให้ใครฝึกไม่ได้นะเหมือนเรียนหนังสืออย่างนั้นะ เรียนหนังสือคนอื่นเรียนเขาเขาก็ได้ความรู้ของเขาเขาภาวนาก็เป็นได้ความรู้ของเขาถ้าเราไม่เรียนเท่าไัรเราไม่ศึกษาเท่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องการบางสีบางอย่างทำแทนกันได้แต่บางสีบางอย่างทำแทนกันไม่ได้ก็มีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนั่งภาวนาเอาทีนี้พวกเรารู้แล้วว่าการภาวนานเป็นยังไงเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะพานั่งภาวนานะ ไม่นั่งนานกนะทังสักสินาทีอย่างที่ให้ได้ครบสูตรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพวกทานเราก็ได้ทานแล้วได้กราบไหว้สักการะบูชาเราก็ได้ทําแล้วบัดนีเ้เรื่องศีลเราก็ได้มีศีลด้วยกันอยู่แล้วแต่นี้ต่อไปนั่งภาวนานะทีนี้นะภาวนาในหลวงพ่อจะแนะนําแนวของหลวงพ่ออีกอย่างหนึง่งพอกรรมฐานพระพุทธเจ้าวางไว้ในสี่สิบอย่างนะหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์แนะนําเอามาใช้ก็คือ อานาปานสติพร้อมกับปรมพร้อมกับบริกรรมพดทโถท้านออกมาใช้สองอย่างกรรมาฐานสี่สิบนะแต่หลวงพ่อขอแนะนําให้แกกนาาาัตถาญาติโยมที่นั่งในวันนี้ท่านนั่งดูแล้วหายใจเข้าให้นับนะนับตัวเลขหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับห้านับหกจนถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอถึงร้อยแปลว่าดีนะดีมากแนละ้วเริ่มเริ่มดีเลยลนะ แต่ถ้าหากว่านับไปมันถึงไหนมันมันหลงนะเออมันสลับไปสลับมาหายใจเข้ า, เ, าเราตั้งใจว่าหายหายใจเข้าเป็นหนึ่งหายจะออกเป็นสองอพอนับไปไม่ถึงสิบหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายจะออกเป็นเลขคี่แสดงว่ามันผิดจังหวะแล้วนะแปลว่าขาดสติแล้วจุดนั้นต้องนับหนึ่งใหม่อีกทดลองดูนะวันนี้นะสติของเราดีขนาดไหนไม่ต้องถามใครหรอก ค่ามีสติดีไหมสติไม่ดีขนาดไหนให้ถามถามตัวเองได้ พ, พิสูจนด้วยตนเองได้นะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับสี่นับห้าไปถึงร้อยไม่เผลอนับถูกต้องแปลว่าใช้ได้ดีแต่นับไปไม่ถึงสิบหรอขาดหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี่แนะปลว่ามันสลับกันแล้วแปลว่าขาดสติแล้ว เพราะนั้นขอให้พวกคณัตสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเอานั่งสมาธิที่นี่นะเมื่อเอาขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พวกเราประนมมือขึ้นระห ว, าว่างหกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบจากนั้นเอามือลงในเมื่อเอามือลงแล้วก็ให้แผ่เมตตาอย่างที่ หลวงปู่ท่านแนะนําสั่งสอนข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขให้คําว่าแผ่เมตตาไม่มให้เราจิตใจของเราไปผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดในขณะที่ภาวนาให้อภัยกับทุกวิญญาณนะจากนั้นยังค่อยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเดี๋ยหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสอง ให้สติอยู่กับตนเองให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองเป็นการฝึกสตินะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะหยุดโพด้ันนี้นะ